ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัตินะการปฏิบัติจะไม่ยากเลยเลยเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดานี่เองเป็นเรื่องการที่เราจะมาเรียนรู้ตัวเองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะทั้งเทวดาพลมอะไรทั้งหลายนะีมีปกติส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกก็คือมัวสนใจในรูปนะไม่สนใจตาสนใจในเสียงไม่สนใจหู สนใจในกลิ่นไม่สนใจจมูกสนใจในรสไม่สนใจลิ้นสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายไม่ไม่สนใจร่างกายสนใจธรรมารมณ์เรื่องราวที่ใจไปรู้เข้าไม่สนใจจิตของตัวเองนะออออดังนัธรรมชาติจิตออกนอกตลอดเมื่อธรรมชาติจิตออกนอกตลอดเนี่ยจิตจะเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อ ย, อยจะเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจ หวังว่าถ้าได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาเสพแล้วก็จะมีความสุขอารมณ์ทั้งหลายนะั้นมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแล้วก็บางทีเราก็เจออารมณ์ที่ดีบางทีเราก็เจออารมณ์เลวเอาแน่ไม่ได้มันแล้วแต่วิบากเรามีวิบากที่ไม่ดนะีเราจะเจออารมณ์ที่ไม่ดีมีวิบากที่ดีจะเจออารมณ์ดี นี่ที่ผ่านมาในสังสา ร, สราวัฏเนี่ยเราทำทั้งความดีและความชั่วดังนั่นเราก็จะกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างที่เลวบ้างสลับกันไปเรื่อยๆบางคนอาคุศลให้ผลมากบางช่วงนะเจอแต่เรื่องร้ายๆในชีวิตบางคนกุศลให้ผลนะเจอเรื่องดีๆในชีวิตนะสบายบางคนว่ชชานี้สบายสบายนี่การที่ หวังพึ่งอารมณ์ภายนอกนะอารมณ์ภายนอกเป็นของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้กรรมมันเลือกให้เราจิตเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์พอมีความสุขเกิดขึ้นก็หลงเพลิดเพลินพอใจราคะแทรกอารมณ์นี้นําความสุขมาให้ก็เลยรักใค ร, อร่ราคาอารมณ์นั้นราคะแทรอารมณ์นี้นําความทุกข์มาให้โทสะก็แทรกเกลียดอารมณ์อันนี้ แล ใ, ใจก็กระเพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแ ฟ, บ, วแฟบไปเรื่อยๆวัตตานี่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะว่าพอเพลิดเพลินตามอารมณ์นะหรือปฏิเสธอารมณนะ์นี่จิตก็เกิดการกระทำกรรมขึ้นมาเกิดความดินน้นรนทางใจขึ้นมาดิ้นรนไปในทางดีบ้างทางชั่วบ้างแลสะสมมิบากต่อไปอีกงั้นวัตตานี่เลยหมุนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด มันมาจากพวกเราเนี่ยชอบทรงฉีออกนอกนะนี่ถ้าหากเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ว่าเราต้องโอปัญยิโกน้อมกลับเข้ามามาเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่สนใจรูปแล้วลืมลูกตาไม่ใช่สนใจเสียงแล้วลืมหูสนใจกลิ่นลืมจมูกสนใจรสลืมริ้น สนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายก็ลืมร่างกายสนใจสิ่งที่มากระทบทางใจแล้วก็ลืมใจของตัวเองเราต้องคอยรู้สึกหันกลับมาคอยรู้สึกอยู่ในกายในใจของเราในกายก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายในใจก็คือตัวความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายตัวความรับรู้ทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าใจเนที่นี่มันจะครอบคลุมไปถึง ตัวเวทนาคือความสุขทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ตัวสัญญาความจําได้หมายรู้จําได้อันหนึ่งนะหมายรู้อันหนึ่งแล้วก็ตัวปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็ตัวจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้วกายใจเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนจิตจิตกับวิญญาณนะอันเดียวกันแต่ถ้าทําหน้าที่ไปรับรู้อารมณ์ทางอายตนนะก็เรียกว่าวิญญาณ ถ้ามันไปทําหน้าที่อื่นๆไปเสพอารมณ์ไปอะไรเงี้ยบางทีก็เรียกว่าจิตไปมีคําว่าใจคำหนึ่งใจเป็นตัวรู้ธรรมอารมณ์รู้อารมณ์ทางใจเรียกว่าใจจิตวิญญาณใจอันเดียวกันคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่เราจะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเรียนรู้อยู่ในกายในใจของเรานี่การจะมาเรียนรู้ทั้งกายทั้งใจเนี่ย เรีรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราในเบื้องต้นนะเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราความทุกมีอยู่การกระทำมีอยู่มีการกระทามีความทุกแต่ไม่มีผู้กระทาไม่มีผู้เป็นทุกนั้นะมีการกระทานะแต่ไม่มีผู้กระทาใครเป็นคนทาเขาขันมันทนะํแต่ไม่ใช่เราทา เบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นจะเห็นว่าไม่มีเราปัญญาเบื้องปลายจะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้นะความเพลิดเพลินพอใจในในโลกในอะไรนี้จะสิ้นสุดลงเพราะโลกเนี่ยมันมีอะไรเป็นศูนย์กลางก็มันมีตัวเราเป็นศูนย์กลางของโลกทุกคนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกทั้งหมดเลย ถ้ากระทั่งศูนย์กลางของโลกคือกายนี้ใจนี้นะเรายังเห็นความจริงเลยว่าหาสาระไม่ได้เลยเป็นแต่ตัวทุกข์นะหาตัวดีไม่ได้ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าพอใจเมื่อปล่อยตัวศูนย์กลางของโลกนี้ได้แล้วนีโลกนี้ไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไรเลยนะจิตเนี่ยปล่อยอัตโนมัติเลยเงั้นเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้เข้ามาให้ถึงกายถึงใจซึ่งมันเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาล ถ้าปล่อยวางตัวนี้ได้เพราะเห็นความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยแล้วมนจะปล่อยทั้งตัวเองแล้วปล่อยสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยมันจะเสมอกันไปหมดเลยหลวงปู่ดูลยเคยสอนหลวงพ่อให้ประโยคหนึ่งนะแต่กว่าจะเข้าใจนี่ใช้เวลานานมากเลยท่านบอกว่าจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันพวกเราไม่เห็นใช่ไหม เห็นว่าจิตใจเป็นคนดูเป็นตัวตั้งเป็นแกนกลางของทุกอย่างทุกอย่างที่แวดล้อมอยู่นะเป็นของถูกรู้ถูกดนะูสิ่งที่แวดล้อมจิตอยู่มีตั้งแต่ความรู้สึกภายในมีกระทั่งร่างกายใช่ไหมล้อนออกมาก็มีครอบครัวสามีภรรยาลูกมีทรัพย์สมบัติมีบ้านช่องนะมีกระทั่งเพื่อนร่วมงานมีญาติมิมนะมตรอะไรเงี้นะมีศัตรูเนี่ยกว้างกวางออกไปเรืๆมันออกไปจาก มันตั้งต้นออกไปจากตัวเราเองนี่เองนี่ถ้าเมื่ไรท่านบอกว่าถ้าเห็นจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเดียวกันนะก็จะพ้นจากถูกถ้าว่าอย่างนี้นะเพราะเราก็ต้องมาพิสูจน์ว่าหลวงปู่ดุลพูดจริงไม่จริงห้ามเชื่อเวลาหลวงปู่สอนลหลวงพ่อนะบาทีท่านถามเชื่อไหมท่านลองอ่ะยังไม่เชื่อครับยังไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะลองไปทําดูแต่เออใช้ได้ใช้ได้ตรงไหนใช้ได้ตรงจะลองไปทําดูนะ เพือนไม่ว่าใครเขาบอกอะไรเรานะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธนะสอบสวนสอบทวนนะดูความจริงก่อนว่าเป็นเป็นยังไงอย่างทุกวันเนี้ยคนชอบลือกันนะคนนั้นเป็นพระลรหัน์คนนี้เป็นพระลรหันนะ์คนก็โอ้ยหลงปรับปลื้มนะคอยพวกนี้แปรปลุนขึ้นมานะก็บอกศา ส, สนาพุทธไม่ดีนะจริงพวกไม่ดีมันแอบมาอยู่ในศาสนาพุทธต่างหานะแล้วมาบอกศา ส, สนาพุทธไม่ดี ศา ส, สนาพุทธจะเสียหายได้ยังไงนะเป็นสัจธรรมสัจธรรมนี่นะไม่อย่าว่าแต่จะผ่านเวลามาแค่นี้เลยนะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีความแปลกปลวนนะเป็นแต่คนจะลืมสัจธรรมเป็นช่วงๆเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมออกมาประกาศสัจธรรมก็ปรากฏออกมานะต่อมาคนทั้งหลายทรงสัจธรรมนี้ไว้ไม่ได้ลืมไปนะสัจธรรมก็ยังอยู่นะไม่ได้แปดเปื้อนไปเลยกับจิตที่ตำตำ ทั้งหลายนั้นไม่เกี่ยวกันเลยนั้นธรรมะน้ไม่เคยหายไปแต่ว่าคนลืมมันเป็นช่วงๆนี้ช่วงนี้ธรรมะยังดำรงอยู่ก็รีบศึกษารีบปฏิบัติเข้ า, าจะศึกษาจะปฏิบัติธรรมก็โอปะนิโกนะน้อมมาเรียนรู้ตัวเองถ้าจัดการกับศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาลได้แล้วก็โลกนี้จักรวาล น, นี้ไม่มีนัยะอะไรกับเราอีกต่อไป โลกจะแตกวันนี้แตกพรุ่งนี้ไม่เดือดร้อนเลยนะบางคนชอบฟังข่าวนะคําพยากรณ์ตอนนี้ดาวมาเรียงกันเท่า น, นี้ดวงแล้วโลกจะแตกและหลวงพ่อได้ยินเรื่องแบบนี้ตั้งแต่หลวงพ่อเด็กๆนะผ่านมาห้าหกสิบปีแล้วไม่เห็นมันแตกสัทีเลยะแต่ว่าใจของคนนะมันแตกแล้วแตกอีกนะโลกมันก็ยังไม่แตกแต่วันหนึ่งมันก็แตกสลายพระเจ้าบอกไว้แล้วนะมันจะแตกสลายด้วยอะไร ด้วยดินน้ำไฟลมโลกนี้จะแตกสลายด้วยดินน้ำไฟลมอยู่มาสี่พันห้าันล้านปีอายุสั้นนิดเดียวเทียบกับจักรวาล น, นะจักรวาลทั้งหมดโลกอายุนิดเดียวสี่ห้าพันล้านปีนะนิดเดียวแล้วถ้าใครเป็นลมนะอายุยืนมากๆเนี่ยจะเห็นจักรวาลเกิดแล้วดับได้ พรมมีรูปนะพรมมีตาถ้าพรมไม่มีรูปไม่เห็นจะเห็นว่าจักรวาลนะแต่ละแกแล็กซี่นะไม่ใช่โลกโลกเดียวแต่ละกาแล็กซี่นะเทียบกับพรมแล้วเหมือนดาวเล็กๆดวงหนึ่งนะมันไหลาตามกันไปนะไหลเหมือนทางช้างเผือกนะแต่ว่ามันเป็นแกแล็กซี่ไม่ใช่แค่พาทิตย์ไหลาตามตามกันไปนะพรมก็ได้แต่นั่งดู เห็นบางงานก็เกิดขึ้นมาบางงานก็ดับลงไปมีน่ามีเกิดมีดับนะแต่ทั้งจักรวาลก็มีเกิดมีดับแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อความพ้นทุกข์ของเราถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆนะทวนกระแสเข้ามาทวนกระแสอะไรกระแสโลกนั่นแหละโลกดึงดูดเราออกนอกตลอดเวลาดึงดูดความสนใจเราออกข้างนอกตลอดเวลาเราทวนกระแสโลกเข้ามามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจ เรียนรู้เพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนรู้เพื่อทำอะไรเลยนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีความสุขไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้สงบไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อเอาความดีอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อความมีศีลเพื่อความมีสมาธิไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อปัญญานะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมจนมันเห็นความจริงแล้วมันปล่อยไม่ยึดถือไม่ทุกข์นั่นเองปฏิบัติจนมันไม่ทุกข์นี่เรามาเรียนรู้โลก พระพุทธเจ้าบางทีท่านก็สรุปข่าว่าโลกไวหะโลกคืออะไรโลกก็คือกายยาวาหนาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจคลองตัวนี้เองมาเรียนรู้ตัวนี้แหละถ้าปล่อยวางตัวนี้ได้ข้างนอกก็ปล่อยหมดอัตโนมัติเลยจะปล่อยได้เมื่อเห็นทุกข์ถ้ายังเห็นว่าเป็นตัวดีตัววิเศษไม่ปล่อยจะปล่อยเมื่อมันเห็นตัวทุกข์แล้วค่อยๆฝึกไป เพะสิ่งที่หลวงพ่อสอนกนะ็คือวิธีรู้ทุกข์มีปัสนากรรมฐานนะว่าไปแล้วก็คือวิธีรู้ทุกข์นั่นแหละวิธีรู้ลงมาดูกายดูใจนะจนเห็นความจริงของกายของใจมันเป็นตัวทุกข์รู้ทุกข์แจมแจ้งก็ปล่อยหมดความยึดถือพระเจ้าถึงสอนนะทุกข์ให้รู้ไม่ได้ ห, หละนะตอนนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหม กำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมยากไหมรู้สึกเห็นร่างกายนั่งไม่ยากแต่ชอบลืมใช่ไหมชอบไม่รู้สึกชอบไปคิดเรื่องอื่นร่างกายนั่งอยู่ไม่รู้สึกร่างกายพยักหน้ารู้สึกมถ้ารู้สึกจะเห็นเลยไอ้ น, นี่ไม่ใช่เราแล้วเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งกระดุกกดิกกรดุกกระดิ ก, ดกไปนะตามที่จิตสั่งบางทีเ็สั่งได้บางทีเ็สั่งไม่ไดนะ้รูปบางอย่างเกิดจากจิตสั่งนเะรียกว่าจิตตะชรูป อย่างรูปเคลื่อนไหวจิตเป็นคนสั่งรูปบางอย่างเคลื่อนไหวนะแต่จิตไม่ได้สั่งมันอย่างชักก็แดกแดกนะจิตไม่ได้สั่งให้ชักเลยมันชักเองรูปเกิดได้หลายอย่างเกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมก็ได้นะเกิดจากอาหารก็ได้เกิดจากจิตก็ได้หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไหมรู้สึกไปอย่างสบายๆนะ ไม่ใช่รู้สึกแบบพิสดาร น, นี่รู้สึกแบบเคร่งเครียนไร้สาระรู้สึกสบายๆเก่าแล้วรู้สึกไหมเก่าเก่ายุ่งยิย่งผู้หญิงสาวๆ ส, สวยๆแต่งตัวดีๆแล้วบางทีแค่ชี้ฟันเฉยเลยนั่งฟังเทศิแค่ไปเลยไม่รู้หรอกร่า <laughs> งกายเคลื่อนไหวก็ไม่รู้สึกเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมเดินโทรไปทํำท่าทางแปลกๆเคยเห็นไหม ทำท่าแปลกๆมีร่างกายแต่เขาไม่ร er ู้สึกพวกเราคอยรู้สึกนะมีร่างกายก็คอยรู้สึกหร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกรู้สึกสบายๆแค่รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยนะใจเราเป็นคนดูสบายๆมันจะเริ่มเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุนะที่มีาธาตุหมุนเวียนอยู่ตลอดหายใจเข้าหายใจออกนะกินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายดื่มน้ําเข้าไปเดี๋ยวก็เหงื่อออกอะไรเงี้ยธาตุมันหมุนตลอดเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุนะไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทําไมพวกเราเก่าเก่าเพราะสุขหรือเก่าเพราะทุกเก่าเพราะทุกไหมคันอะ ลองคาเนเต็มที่เอาซะหน่อยนะทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่าทุกเห็นไหมทำไมนั่งแล้วต้องก็ยุกก็ยิ้ก็ยุกก็ยิ้งเมื่อไหมเพราะว่ามันทุกเห็นไมถ้าเรารู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆเห็นแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งวันเลยแล้วเป็นภาระเยอะนะตื่นนอนมามีภาระอะไรกับร่างกายบ้างไหนลองว่ามาคนละประโยคนะีเ <c oughs> ยอะแยะเลยเนาะ ทำอะไรมั่งตื่นนอนลืมตาเป็นภาระยังไม่อยากลืมเลยมีไม่ไม่อยากตื่นตื่นขึ้นมาโอ้เป็นภาระใช่ไหมบางทีต้องเก็บที่นอนบางคนก็ใช้คนอื่นบางคนก็ทําเองบางคนไม่ทําเลยไม่ใช้ใครกองไว้งั้นะเดี๋ยวกลคืนมันนอนต่อหมามันยังทําได้เลยไม่เราจะทําไม่ได้ ถาราเยอะแยะนะไปเข้าห้องน้ําเป็นถาราไหมพวกเราเข้าห้องน้ําขับถ่ายวันละกี่ครั้งใครหนึ่งครั้งถ่ายหนักๆ น, นะใครวันละครั้งใครวันละสองครั้งใครมากกว่าสองมีปกติเ อ, อ้มีนะมีครั้งหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่โอ้เอาละสิเนาะ บางคนใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะก็นั่งละเรียดอยู่นั่นอ่ะคล้ายๆกินอาหารแล้วละเรียดไปเลยนี่ขับถ่ายก็ละเรียดไปเลยนะไม่ยอมออกสักทีเนี่ยภาระนะใครเคยรู้สึกว่าอาบน้ําฟอกสบู่ก็ต้องล้างสบู่ออกอะไรเงี้ยเป็นภาระบ้างรู้สึกไหมมันน่าจะมีสบู่แบบทาแล้วไม่ต้องล้างเลยไหมเนี่ยภาระทั้งนั้นเลยนะ แต่งตัวแต่งหน้าภาระไหมหวีผมภาระไหมมีภาระตั้งแต่ไหนแต่ต้องไปหาหวีมาต้องไปหาหวีมาใช้นะทาผมโอ้ห่าสงสารใช้เวลาเยอะมากนี่สบายสบา ย, บายนะอยากสบายลองเอาอย่างดูนะเราจะรู้ว่าสบายจริงๆเลยมีผมเนี่ยเป็นภาระเยอะโสโปรกไหมเห็นนะ เห็นมากเลยไอ้ที่เขาว่าผมคุณสวยผมคุณสรวยอะถ้าใครเขาชมนะพวกเราลองอย่าไปสาบผมสัอาทิตหนึ่งน่าเชิญมาดมนะภาระาตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยเล็บเท้าต้องยุ่งกับมันไ ห, หรือตั้งแต่ปลายผมถึงเล็บเท้าเลยนะภาระเท้านั้นเลยใช่ไหมเนี่ยเฝ้ารู้สึกอยู่ในกายนะจะเห็นไม่เห็นดีตรงไหนนะมีแต่ภาระนี่แหละนะการปฏิบัติละ การปฏิบัติไม่ใช่มีอะไรพิลึกพิลึกหลับหู้หลับตาไม่รู้เรื่องลืมกายลืมใจแล้วบอปฏิบัตินะนี่ในร่างกายเราก็คอยเรียนรู้รู้สึกอยู่ในร่างกายทุกคนรู้สึกได้แต่ละเลยที่จะรู้สึกในจิตในใจของเราก็คอยรู้สึกไหมในใจเรานะมีความรู้สึกเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุข ไ, ไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยลองไปสังเกตดูสิเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉย กระทบอารมณ์ที่ดีก็มีความสุขกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็มีความทุกข์กระทบอารมณ์ที่ไม่ชัดเจนก็เฉยๆฉยนะจิตใจของเราเนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายกระทบอารมณ์มาแล้วนะมีการตีค่าแปลค่าแล้วบางทีก็เกิดจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาบางทีก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงโลภเกิดหลงอะไรพวกนี้เลือกได้ไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธเคยโกรธไหม ตั้งใจว่าจะไม่โลภเคยโลภไหมมีบางคนนะตั้งใจจะไปเดินเอาแอร์เฉยๆร้อนอไปศูนย์การค้าตั้งใจไว้เลยจะไม่ซื้ออะไรหรอกนะเดินศูนย์การค้านะเห็นอะไรก็อยากได้รู้ว่าอยากได้เพลอแว บ, บเดียวนะหิวของไม่ไหวแล้ว <laughs> ห้ามได้ไหมไม่ให้โลภห้ามได้ไหมไม่ให้โกรธ เคยตั้งใจไม่โกรธก็โกรธตั้งใจไม่โลภก็โลภใช่ไหมบอกว่าไม่รักได้ไหมไม่ให้รักสั่งให้เกลียดได้ไหมไม่ได้ต้องบิวทั้งนั้นเลยต้องบิวขึ้นมาเมื่อเราค่อยค่อยรู้สึกนะรู้สึกดูการทํางานของจิตใจไปเรื่อยพอ่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ลายเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ไไดสั่งไม่ได้ เวลาเราดูกายนะเราจะเห็นตัวที่เด่นชัดในร่างกายนะคือตัวตัวทุก์ตัวนี้จะเด่นชัดในร่างกายก็ตัวอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่คนหรอกนะแต่ดูจิตดูใจนะตัวที่เด่นชัดนี่คือตัวอนิจจนะ์ทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยสุขมันก็ชั่วคราวทุกมันก็ชั่วคราวลบโกรธหลงก็ชั่วคราวใครเคย อ, อกหากยกมือโชวหน่อยโอเยอะเลยนะ อ, อกหักก็ทุ ก, กันนานนะทุ ก, กันแรลมปีเลยรู้สึกไหม อ, อกหักครั้งแรกเนี่ยนานที่สุด อ, อกหักครั้งที่ยี่สิบเฉยๆนะ อ, อก อ, อกหักบ่อยๆเป็นชินความจริงไม่ไม่มีความทุกข์ที่นานเป็นเดือนๆหรอกนะอย่างตอนเราเราหลับอยู่ใช่ไหมไม่อกหกักใช่มตอนที่เราคิดเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้ออกหักงันะงจริงๆกระทั่งความทุกข์จากการอกหกักซึ่งว่าแหมยาวนานนะก็สั้นๆ เราก็คิดใหม่แล้วก็ทุกข์ใหม่คิดใหม่ล้วก็ทุกข์ใหม่มันทุกข์อยู่ช่วงที่คิดเท่านั้นแหละตอนนั้นไปคิดเรื่องอื่นนะก็ไม่ไม่อกหักอย่างกาลังอกหักอยู่นะสรรพกรมาทวงภาษีเนี่ยจะหายอกหักเลยนะใครเคยถูกสรรพกรทวงภาษีไหมเราก็จ่ายครบแล้วนะยังมีหน้ามาทวงอีกเนี่ยเราเรียนรู้นะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลย เวลามีความสุขรู้ไหมขณะเนี้เกือบส่วนใหญ่ในห้องมีความสุขรู้สึกไม้มแค่รู้สึกเท่านั้นว่าตอนนี้กําลังสุขอยู่ดูไปที่ความรู้สึกสุขสิเห็นไหมว่ามันลดระดับลงยมันมาเป็นอุเบกขาถ้าจ้องนานกว่า น, นี้มันจะกลายเป็นทุกข์ไนปะจ้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์สนะังเกตดูนะกระทั่งความสุขความทุกข์ความเฉยๆอะไรในใจเรานะขาหมุนเวียนวนอยู่ตลอด รู้ก็รู้ได้แต่ละเลยไม่สนใจจะรู้โอบโกรธ ล, ลงเกิดขึ้นทุกคนก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เวลาโกรธไม่ดูว่าใจกำลังโกรธนะจะไปดูคนที่ทำให้โกรธเวลาเรามีความรักเกิดขึ้นเราไม่ดูว่าใจกำลังรักแต่เราจะไปดูไอ้คนที่เรารักจริงไหมเนี่ยใจมันชอบออกนอกไม่ยอมย้อนมาเราถึองห่างไกลจากมรรคนิพพาน นะจะได้มากผลนิพพานเะนี่ยคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปนะร่างกายนี้มีแต่ความทุงบิบคั้นหน้าเบื่อหน่ายนะร่างกายมีแต่ความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตนะุไม่ใช่คนสัตว์เราเขาเราไม่ต้องคิดเราหรอกค่อยดูไปเรื่อยเมันเห็นเองจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงแล้วนะฟังเสียงะระกคังให้สบายใจสิรู้สึกไหมจิตไหว ไหวริวๆๆๆตามเสียงมันนะมันไหวอย่างนี้มาตลอดนะแต่เราไม่เคยเห็นหรอกแต่เป็นเี้งคอยมารู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายเขาทำงานไปดูใจเขาทำงานไปร่างกายทางานหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนไปจิตใจก็ทำงานนะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ เต็มไปด้วยความเป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่คนสัตว์เราเขาเป็นอนัตตาจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะแล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับคำว่าอนัตตานี่เป็นคาที่กว้างนะมีความหมายหลายแบบในทางตำรา ท, ที่พวกพราเขาเรียนกันเนี่ยในนักธรรมเอกเนี่ยบอกเลยมันมีห้าแบบคำว่าอนัตตานะ ไม่อยู่ในอํานาจนะปฏิเสธความเป็นตัวตนอะไรเงี้ยมีหลายแบบเป็นไปตามเหตุอะไรเงี้ยนี่คสอคว่านัตตาเนี่ยมาดูความจริงนะในกายในใจเรื่อยๆเห็นแต่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาดูไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจะคลายความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือจะหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นจะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติคือความเกิดที่ต้องมาสเสวยอารมณ์สเสวยทุกเนี่ยไม่มีอีกแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วหมายถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีที่จบนะงานทางโลกไม่มีวันจบแต่งานทางธรรมมีวันจบจบตรงที่เห็นความจริงแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยพราะเห็นต่างความจริง จ, งจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ ก็คลายความยึดถือจึงหลุดพ้นกระุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำํนะทำทําเสร็จแล้วกิจที่ควรทําในวัฏฏะของเราเนี่ยคือการยกระดับจิตใจให้พ้นจากความทุกข์กิจนะทางโลกโลกนี้เป็นเพื่ออาศัยอยู่หรโลกชั่วครั้งช่วคราวเท่านั้นเองทํามาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทอหุงข้าวต้มแกงอะไรนีนะ่เป็นกิจทางโลกไม่จะอยู่ชั่วคราวหุงข้าวมาเดี๋ยว ก, กินข้าวหมดแล้วก็มาหุงอีกใช่ไหม วนเวียนไปไม่จบไอ้กิตในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจบนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรยนะ์อยู่จบแล้วกิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิตอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะจิตจะรู้สึกเลยว่ามันหมดภาระแล้วมันหมดสิ่งที่จะต้องทําแล้วคําว่าต้องเนี่ยไม่มีในชีวิตอีกแล้วพวกเรามีคําว่าต้องเยอะไหมช่วงไหนคําว่าต้องเยอะๆเครียดไหมคิดดูนะพระทหารไม่มีคําว่าต้องนะสบายไหม สบายสบายนะฝึกเอานะฝึกเอาแล้วจะรู้ว่านิพพานมีจริงถ้าไม่ฝึกก็นานๆไปก็จะรู้นะั้นอรกมีจริงๆนะเลือกเอานะทางใครทางมันนะมีความสุขไหมมีความสุขแต่ไม่รู้รู้สึกไหมเสพความสุขโดยไม่รู้นดะไม่ติดนะนจิตมีพพ ถ้าไปเสจพบแล้วไม่รู้ทันก็จะติดอยู่ในความสุขอยากได้ความสุขอีกอยากได้ซ้ำๆเพราะว่ามันมีความสุขถ้าพอไปเจอความทุกข์จิตไม่เป็นกลางนะจิตไม่มสีสติปัญญาก็ไปเกลียดมันไปเกลียดมันก็อยากอีกละอยากให้มันหายไปเร็วๆอยากให้มันไม่มาอีกเวลาเกลียดหน้าใครสักคนอยากให้มันหายไปไมอย่างสามีพันยาอยู่กันนานๆนะตอนแต่งงานใหม่ๆตอนเป็นแฟนนะอยากเจอใช่ม ไม่เจอทุลนทุลายนั้นโทรศั์ไปหายิ่งโทรศัพ์มีรูปได้ยิ่งดีนะติดต่อสมัยโบราณไม่มีโทรศัพท์รักสาวมากๆคิดถึงสาวต้องไปดูจะเข้าบ้านเขาก็ไม่ได้นะกลัวพ่อตาตีด้วยไม้ตะพ์สมัยก่อนถ้าใครมีลูกสาวต้องไว้หนวดถือไม้ตะพ์เป็น tradition อย่างนั้นไปดูหลังคาบ้านนังสารอย่างเลยเหมือนหมาเห่าเหมือนหมาดูพระจันทร์อะไรอย่างนั้นนะ นใจเที่ยวแสวงหานะ่ะจะหาความสุขหิวไปเรื่อยๆไม่มีความสุขไม่อิ่มไม่เต็มมหัธภาวนานะโอปนญิโกมารู้กายมารู้ใจซึ่งเรารู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่รู้เราละเลยไม่ยอมไปรู้มันเท่านั้นเองต่อไปนี้เราไม่ละเลยรู้สึกในกายรู้สึกในใจบ่อยๆจนเห็นความจริงจิตจะคลายความยึดถือบมดความยึดถือหมดทุกข์เท่านั้นเอง แค่นี้แหละง่ายๆธรรมะไม่ได้มีอะไรพิสดารมากมายนักหรอกส่วนที่เวลาเขาส่งกันบ้านนั้นมันเป็นลีลาของแต่ละคนเราฟังคนอื่นส่งกันบ้านเราไม่ค่อยเข้าใจรู้สึกไหมเพราะอะไรเราเข้าใจในส่วนที่เราทําถ้าเราส่งกันบ้านคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะทางใครทางมันนะถ้าเราพาวนาไปสุดขีดแนละ้วเหมือนเราขึ้นภูเขาสุดยอดนะเรามองรอบทิศทางเรารู้เลยทางขึ้นเขาแย่ๆไปหมดเลย ทางใครทางมันนะไม่มีหรอกทางไหนดีกว่าทางไหนสายไหนสายไหนเรื่องของเด็กๆพอหนาเป็นแล้วไม่มีสายหรอกนะคล้ายๆคำภีวิทยายุทธไงก็ไม่รู้เนาะถ้าฝึกสุดขีดแล้วไม่มีกระบวนท่านะจำไว้นะถ้ายังมีกระบวนท่าอยู่ยังฝึกไม่เต็มที่หรอกยังไม่เข้าใจแจม่มแจง้งต่อไปนี้ก็ไปลองฝึกวิทยายุทธตอนกินข้าวนะ ดูสิกิเลสเกิดกี่ครั้งนะเดี๋ยวมาตอบนะในกกินข้าวเนี่ยแล้วนมาเจอหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วมาตอบหลวงพ่อให้ชื่นใจทีว่ากิเลสเกิดกี่ครั้งอย่าบอกว่าครั้งเดียวนะคือเผลอตลอดเลยตั้งแต่กินนออกไปจนกลับเข้ามานะเอาหลายๆครั้งหน่อยนะเอาไป